เทศอบรมพระวันที่5เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเหตุร้อนมากกิเลส ท, ทำลายทำได้ง่ายถูกนิมนต์บ่อยๆตาลุกวาวไปแล้วนั่นเราจึงต้องระวังไม่รับนิมนต์พระเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน ต้องรักเมตากันให้อภัยกันอย่าอยู่และทำความเพียรแบบกิเลทันหอมหันกระเทียมรอคอยเทศเรื่องลำดับจนถึงที่สุดปลุกใจดีมากตลอดกันเทศเลยมาถึงหน้าบีเล็กน้อยก็หยุดไม่มีพูดต่อท้ายอีกกันนี้อัดให้ใครๆได้เข้มข้นดีตลอดกัน ทางเดินของเราตรงแน่ตามหลักทำอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อทำอยู่แล้วการคือปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันเข้าทำลายทำได้ง่ายทำของพวกเราไม่ใช่ทำแก่กล้าไม่ใช่ทำเพราะที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่นมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้ เราถือว่าเป็นธรรมสิ่งหรือเข้าใจว่าวาถูกหรือเข้าใจาเป็นธรรมอิ่งกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยําหัวหอมกระเทียมมันยื่นเข้ามาวางใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เรานี่มันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะ่ะนี่แล้วมันสายไปแล้วนะ จนขนาดที่เขาหอมหอมกระเทียมมาไว้ตรงหน้าก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันแล้วนั่นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรก่านแล้วแต่เป็นกั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก่อนมันก็พร้อมแล้วทีนี้กไมาราบพจะไปยังไงมันตายจะแล้วที่เหล่อนี่เป็นสิ่งละเอียดมาก แทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมเนี่ยเพราะเหตุนี้จึงได้พยายามเสมงวดกิดขันกับหมู่เพื่อ น, นเสมอเพื่อไม่ให้เสียเหลี่ยมแห่งกิเลส ท, ที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้จึดตัวยกตัวอย่างเช่ น, เ, นเรากำลังพูดปฏิบัติธรรมด้วยความสน อ, อกสนใจ มีผู้มานิม น, ไ ป, น, นไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังมากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่า ที่ี้ยแยงมาด้วยธรรมก็คือเขาอันนี้นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการประสงเคราะห์โลกเขายิ่งไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็เรื่องตติเดกา้าจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉัน จะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟอ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีถวายแต่ละงานละงานนี่เป็นร้อยๆขึ้นไป ตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจทักจะเริ่มพุ่งแล้วนี่พอกิเลสเข้ากับอืลความโลภเ ข, าเขา้าเข้าแทรกนะชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นเลยนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกทรมาคือการนิมมนก็ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขาเพื่อสงฆ์เขาก็เป็นธรรม การถวายมาก็เป็นธรรมต้อนรักเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมขั้นต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของผู้โบกไปเป็นเรื่องของเย่ไปเมื่อมันเขา้าเฉลี่ยเมื่อมันเข้าแทบในความอยากนะความอยากก็กำเริบความโลภ ก, ก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริบาลของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเลยด้วยแตกไปหลายด้านหลายทางทําให้คิด ก้างของไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่ไเรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่ทานั้นเองจะว่าไงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจริงๆอีกอย่างเสมอตกแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงทังฟังอันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงๆ ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะพึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามา น, มนิมนต์ท้าว่าป่ามันตาดไปฉนันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำมั่าจำไป มีเหตุมีผลพร้อมแล้วจําเป็นต้องไปโลกกับทําแยกกันไม่ออกถึงข่าวที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอาระดับ เ, เปรียบธรรมเพลินไปเราก็จะเสียเปรียบทีเดียวไปเรื่ยเราจึงไม่อยอมให้ี๋ยว่าหลังแต่บรรดาท่าในวัดนี่เลยแม้แต่มานิมนเราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้ท่าได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบาย ตามเจตนาที่มาจากคิดต่างๆมาทั้งใครทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอัตเรการล่าล่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัตแต่ธรรมถ้าคิดก็คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมนับกันัดสีนั บ, นนบถังไม่เนรไปหานับอัิเรการล่าความล่ํารวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารธาตุเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างาม ผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทําแล้วเฉพาะทําแล้วพระเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทําลายตัวเองทําลายจิตใจของตัวลงไปดูลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเอ ง, ท, งทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็หยิ่งไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในแล้วนี่แหละที่วัน พิเศษมันแฝงทํามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะได้แล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้น่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นค่อยเหนียวยุบยอดแล้วตายไปมันก็กอดนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็ เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากเห็นเวลามันมีมากขึ้นมากคือเราสังเกต ด, ดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหมดเข้ามาหมดามาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งมันเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของ ต้นไม้ไปกินแค่หมดไปตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาสายเนื้อหนังของต้นไม้ไปเป็นอาหารอย่า <c> ง <oughs> น, นี้ก็มันการกิเลสมันค่อยแทรกมาแทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในติดแฝงมาในถังดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไสเป็นกาฝากนีกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไป จิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาตั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อเพื่อทำซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเหลวไปแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทําทั้งทั้งหลายตําหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพราจะมีธรรมติดจิตจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดไม่ดีไม่มีเลย ให้พากันน้มัดวางให้ดีนี่ด้วยเ ห, เหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลปลอยหน้าจากหลำใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการพิชิปฏิบัติสมคําว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อเหตุได้ผลจริงๆการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนด้วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัศน์กำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษามหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็น ความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเ่งเขามันขอพระไปอยู่ชํานักนั่นํานักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านมาในมุ่งจะไปหาท่านสำนักที่นัน่นตั้ ง, งสอนใครต่อใารท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรม ส, สัสอนตอนเองโดยอาศัยครูอาจารย์พระอวาวัตการแนะนําสั่สอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้น เราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามพิยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ทัศน์สงฆ์าท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพิยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทําไม่ได้เนี่ยเราหาเราก็พูดอย่างนี้เดีถยะแล้วเราไม่เราไ ม, ไม่ไม่ไปแตะทัศน์สงฆ์อยู่ในวนัดนี้พูดก็ขอให้เป็นที่เรียบร้อยไปเถอะแล้วเข้าไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัด ขอจัดจัดรักษานี่คืออุบายการรักษามุื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบินเทวาดามานั่นพอเป็นพอไปแล้วสําหรับผู้มิผู้มุ่งทําในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ ล, แกลิ่นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอานาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมระได้สําหรับผู้มุ่งทำถ้าคุณมุ่งโลกมุ่งสงฐานแล้ว ม, มีแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแฟงทำทางนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายทำทางนั้นนั่นคือผู้คิดผายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโ ภ, ภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเขินไม่ว่าบุกพ้อ ง, อ ง, องพอเป็นพอไปทางนั้นเพราะพอยังเยียวยาแต่ภาพว่าเกินไปเพื่ออดเพื่อทําเพื่อการบำเป็ญของเราจะรับความสะดวกสบาย เพียงเท่านี้เราสะดวกระบายแล้วเอา้าในวัดนี้มีอะไรใครจต้องการอะไรเอาได้เลย ม, มีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่แม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็ศาศักยญาบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวันละใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษถาคนเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงฆ่า หาความรักความสงสารควา ม, มให้โอหนัในตใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีทำเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สังสมธรรมแบบนี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกกถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความไม่โอหนัในใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกัน ก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระคือพระทั้งนั้นเราอยู mm ่ด hmm. ้วยกันแบบคือพระคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะบวชแย้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมทำต่อทำมีจํานวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้าก็เป็นสองดี บวกสามดีีดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนั้นก็ยิ่งนี่ก็ยิ่ทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดนี่ถ้าสมมติว่าอย่างตรงรข้ามเ อ, าอ้าวงนี้ก็เร็วหนึ่งแล้วนะสองไปบวกเป็นคนเร็วด้วยกันสองแล้วสามเข้าไปสีเข้าไปเร็วต่อเร็วมากมาทั้งวัดมีแต่พระเร็วเหลวไหลเลอะเทอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชหวังผลมังประโยชน์จากอะไร ถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันเกิดไปนานแล้วความสิงศพตกโสมมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องนัดซักให้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ใน ม, รมรารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชําระระสางออกโดยลําดับลาดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราตั้งการของดี ราไม่ได้ต้องการของเร็วนั้นเร็วนี้เร็วอย่างที่ว่านะั่นี่นี่แหละความอยู่ผาสุก ข, ของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สําคัญชาติชั้นวันณะใดไม่สําคัญสําคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองเป็นลูกศี่สถาพรเป็นสาวกพยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ ด้วยความถาสุไม่มีคิดเนี่ยใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันยุ่งสูงต่าๆเอาเข้า ม, มายุ่งในวงศาสนาสาธารณะทำไม่ได้ถ้าทําเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสาคัญพากันตั้งใจไปคุยปฏิบัติให้ดีอย่าลดนัความเพียรเป็นของสําคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ ซึ่งเรากาลังสอแสแหลหายอยู่แล้ชับนี่แหละคือทรับที่ให้เกิดความตื้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันและมีคมแฝงเข้ามาเหมือนหลบงมิพอเย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกําลังมีมากเย็นมากตามกำลัง<า>มีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ ได้แก่ธรรมนี่ในอริยสัพอันี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามช้าะสิ่งที่สกรปรกรกรุงลังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตน อ, อย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำหรือ ว, ว่าเป็นฆ่าสุดต่อตน เห็นความขี้เกียจตอนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอสุวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั <queremos S 1> <ar> ้นต่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมรศาจารนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวในตัณหาตังตาสังสมอริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเริมใจ นี่คือซับซั์อันประสบแท้กบคือใจนี่พยายามซักฟอกล้างออกโดยลำดับลาดับอย่าลดละท้อถอยเราจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่ามา้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกแล้วทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนวนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ ผู้นำี่เยสนำทำเข้าขมาปราบรกิเลสก็คือเรอทาทำเป็นความถูกต้องดีงานอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเปียงของเรา อ, อาศัยธรรมเป็นเครื่องเครื่องมือมีสภาวิยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออธิบาทสี่ ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดั บ, ดดบวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความตักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาพระเสริ่ดด้วยพระปัญญาปีชาเฉลียวฉลาสามากัก อิธิบาททั้งสิบเป็นเครื่องมือสําหรับแก้ยิ่เดียดด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะมีเป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียนพยายามเพียนด้วยอะไรเพียนด้วยสติปรรัญญาปฟาดจงลงไปแก้ยิ่งเียมีความรักรักในความเพียนสนใจในความเพี้ยนแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหน ต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยถัดเยียวเท่านั้นไม่มีธรรมที่จะส่งเสริมกิเลสแล้วในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดสแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่า น, นั้นคือข้าศึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้ว รีบว่าอาวุธคือทำเข้ามาต่อสู้ ท, ทันทีมันจะแสะดงความโลภความโกรธความหลงก็ตามแสดงราคาตันตาขาึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไผ่ที่จะมาทําลายจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีสติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกวนั้นก็ทิพายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทําลายเหล่านี้นี้เราไม่ได้มาทําลายตนเรามาเพื่อสังสม เ, เพื่อส่งเสริมตนเอง ด้วยความผักเย็ยนเพื่อให้จิตมีความสงบปร่มเย็ยนสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทําทไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้วิญญาสอนทำใหม่ขนาดเป็นสัตว์ชราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธทางธรรมังสังฆ์สนากรามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเตือนถึงผู้ใดว่าจะเริ่ม ลำเลิประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่ง น, นั้นมาเป็นศาสนา เ, นเมื่อพุทธังท่นานนังคถามิว่าเป็นชนะของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเทียนยังไงเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยเนี่ยสังโคท่านดําเนินยังไงถ้าสงสารบอกท่านดาเนิน เราเห็นแล้วในกำลับตำนาท่านเขียนไว้ทําไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปริยพานกี่ร้อกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงหนึ่งถาดเดอมขันเรื่องการสถานที่เวลามเวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประกันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราว่าท่านดําเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประสบ เราก็พยายามดําเนินตามแนวแถวของท่านผู้อสอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขนาดนั้นเราก็ถึงขนาดนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะจไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุติภนิพทานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปากรามกิเลสมาตั้งแต่ข้างโน้นตนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าทําบทไดล้ลสมัยนอกจากคน ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบปรามประหัตประหากิเลสก็เป็นคนล้าสมัยทำไม่นด้ล้าสมัยเหมือนมีดเลื่มนี้เลือบปืนกระบอกนี้ยิงอ้าวฟาดลงไปช้างกระตายอย่าว่าแต่คนหนยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอย่งนั้นเลยสติปัญญาเมื่อนำ ม, มาใช้แล้วมันก็เป็น เหมือนปืนที่ทิ้งไว้งั้นน่ะเครื่องหรืออาวุธที้งไว้ต่อให้ยีเดียดย่ำเยียซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นทำอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีตั้งแต่ขี้เตตัวขี้โลคขี้โกรธขี้ลงขี้ร้านออดแอร์ขี้ไปหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้เนี่ยแล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นอย่างไงเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักปนขวา ไม่ใช่นั่งหรือเฉยว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตาที่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบ ก, ก็มีสติจดจ่อต่อนเนื่องกันเป็นลําดับลําดาบในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทําเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดโดโลดเต้นเหนือธรรมไปไหนคําว่าใจหมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของหลัก ด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้ีพูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสัทีวิธีเราตั้งแต่ะวันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานนั้ไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วคำว่าท่านว่าสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลย สมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิเต็มในตาหนักตาลาตัวของเรามันฟุ้งจ ะ, ะตายยิ่งกว่าลูกฟุตบอลปิ้ง ง, ง้ น, นปิ้งนี่ทิดเหนือทิศใต้ปิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหักฆ่าไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับภาดมันลงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันโดยไม่ต้องสงสัยหลังนั้นก็ปัญญา เขาได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารู ป, ปังอนิจจังเวทนาทัญญาทังท้งทั้งทั้งขาราวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทําไมท่านหนูทิ้งล่านี้ท่านว่าเต็มไปด้วยใจละคืออะไรเราจะถือออะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือ ท, ทั้งทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลา ววนมากที่สุดก็คือขันนี่เองพาราฮวิปัญจขันธาววนได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลามาเวลาก็คือขันทําไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความรบกวนของมันมันไปยึดยึดถือมันทํำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้อย่างไงหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้ามันได้สกรปรกเหมือนหนังขนเรายึดไว้เพื่ออะไรเล็บหนังพันเนื้อเอ็นกระดูก จนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่าทิพย์ที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อนิจังทุกขังนตตาตเต็มไปด้วยอสุภะอสุอสพังป่าช้าผีดิบปรชาช้าผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจังทุกขังนาตามีตั้แต่เรื่องอสุภะอสุพังเป็นปา่าช้าผีดิบอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูปาัาช้าล่ะนี่คือปัญญาโคตรมองทางหเห็นใช่เพราะพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่ เราประทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นําวิธีการที่ทรงบําเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรด า, าตดัดโลกขึ้นปฏิบาตาัติต่นี่เราเป็นแนวหน้าแล้วเลยเราเป็นนักบวชเป็นนักเข้าไม่ใช่เป็นนักหลบก น, น, กกนี่นะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบจากนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับอนั่งคอยหน้าคอยแตจะหลับ ใช่ไม่ได้เราให้จริงให้จำตั้งใจพูดปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนวว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหันสั่งซ่า ป, ปัญญาที่ฉีดโดยลมแล้วลก็มีผลมากเมือก็มากคือเราคิดไปเรื่องฉีด ศีลเรก็ไม่ไดดังเพราะทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรันกับสิ่งนั้นตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าดังเพราะทะลุต่างๆ แ, แล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าต่างตาทาปิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราหติมหันช่างซาเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมียส่งมากนั่นคือจิต เมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหวยพานนนควานีควารูปควาเสียงควาติ่มพารถควาธรรมารมต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลานจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่ควา้า นี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วถ้าทํางานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอ น, นั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทะลัยไม่หิวไม่หงุดฉลาไปทางโน้นฉลาไปทางนี้นะะ ท, นทะเลทะลัยไปทางโน้นทาง น, น, างนี้เหมือนจิตที่หิวหงุดหงิดโวยโวายท่านจึงสอนให้มีสมาธิให้มีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้นญญ า, าปนปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาโดยลําดับําับเป็นปัญญาขึ้นมากเทาไรถึงการที่จบพักสมาธิก็สร้าง ฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆเลื่อยๆสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลาดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลําดับกว้างขวางไปโดยลำดับเที่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโขติภาพมีสัมสมาธปัญญาที่สมาธิรวมแล้วจะมีผลมากมีสมงมากน่่ว่ามันถ้าไม่ได้บอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นแต่ ไม่ใช่มีสมาธิและปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทําครัวหรือทาปรสามภระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทาปรสามภระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแกการสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มพรมแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรานมันมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทํามันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้ไหมมันไม่เป็น นี่สมาธิเหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบงั้นเหมือนเอาไม้มากรองไว้อย่างงั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทาครัวมากรองไว้งนั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมอันนี้เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกออันนี้เป็นเนื้อ Warum? อันนั้นเป็นปลามันก็เป็นพวกมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นยิ่งต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมกัน ทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำครัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตรล่อมตัวเข้ามาแล้วจิดตรล่อมตัวเข้ามาปราศ จ, จากความมีหอยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเอาค้นลงไปพิจารณาไปนี่เหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนาทีนะแล้วเกิดความลูกชนิเนี้ยขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเคลียรซึ่งไม่เคยขาดรอยออกไปจากจิตใจเพราะอํานาจของสมาธิใดๆเลย ก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำ น, นาจของปัญญาโดยลําดับนั่นและทําให้ปิดเพลินี ก, ก็เพลินเรื่อยเรื่อยๆถึงเวลาเหนื่อยเมื่อไรภานาจิตใจเพราะการทํางานไม่เกี่ยวกับการคิดการพิจารณานี่เป็นงานของปิดและเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทํานั้นในขณะพิพักต่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่ง ในขณะที่ทาสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธินะเวลาทางานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาอภินาาลงไปเรื่องธาตุขันตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคาดนานั่น มูลคราดมูลไถ่แหลกเป็นสําคัญไอ้สัตว์หรือการคราดนั้นจะสัตว์ฐานะจะเร็วรลุชา่าไม่สําคัญสําคัญที่การคราดอันนั้นให้แหลกละเอียดพวนแกการปักด่าเข้าถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาาไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลําดับลำดั บ, ดบเหมือนกับว่าการคราดนาบขอเอาแล้วใต้ที่แล้วปล่อยอ่ อ๋อี่ปีนานี่เรื่องอสุภะอสุพังมันเต็มในตัวงเราราคาตันหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความตัวกลางมันสําคัญมันมาอันหามันงานที่ไหนสําหรับธรรมชาติแท้มันไม่ได้งานถ้าเราเสกสรรเอาเนี่ยพิเรฒมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิมตามพิเรฒค้อยตามพิเรฒหลงตามพิเลฒพิเลฒแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟที่มาภายในกิตใทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมเข้าไว ทำใจเริ่มตึงแจ๊ะสุภาสุพสัพทงทุกครั้งที่จังอัตตาลงไปสูสภาพเป็น่าหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางไดนี่เรียกปัญญานี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหสิสร่างซาปัญญาปริภายตั ง, ตงมมจิตตั้งสมเด็จวัชเวหิมุจตินั่นที่นี่นะยีที่ปัญญารมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไป ทำกิจให้หลุดพ้นจากกิเลสตั้งโปรแโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปไปลำดับลำดับตั้งแต่ศีลัปริภาวิวตโตสมาธิมหาพาโลโหติมหาสั่งซ่ามหาสั่งโซสมาธิ ป, ปริพาวิตาปัญญามหาพาลาโหติมหาสั่งซ่าปัญญาปริพาวิ ต, งตังกิจตังซัมอเดวะอาศัมุจตินั่นเป็นหนุนเดนไปโดยลำดับลำหน่อพอถึงนีมุจติแล้วมันก็หมดใช่ไหม ตตังริภัยสมาธิปริภัยตางจิตตังสัมมาเดวะอาิรีมุจเติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วยอมถูกพ้นจากพิเดทั้งปวงโดยชอบน่งให้หนึ่งให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่และธรรมของศาสดา ภาษาซาดาภาษาพวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนว่าอย่างนี้ให้้ยึดให้ดีอย่าให้เละเละหลอนหลอนทะเลทไหลใครว่าอะไรก็เชื่อไปหมดเพราะว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนเอาเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่ เมื่อแบบทิศแบบด้านอันไหนมันสําคัญกว่ากันเราโหเราต้องหาผลฉลาดและใครเป็นจอมตัดพูดทางธรรมสนากระฉามีคืออะไรนั่นมีคําสอนมาแล้วทางเดินไปสดสดร้อนร้อนก็คือเรื่องสีหนึ่งสมาธิปัญญานี่นะในภาค พ, พิจารณาเอาให้กินให้จําอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดีย่าอยู่เฉยเฉยสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบองมากมันขี้เกียจนะ ไอ้ะอะมีอะไรสัมผัสสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งควนหรือยากอยู่จนั้นเช่ไนี่คือสมาธิที่เกลียดติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้ว น, นี่ทั้งๆที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดนี่ก็เลยกลายเป็นมิจฉาทั้งนั้นมิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ประทินเลยเป็นมิจฉาโดยมรู้สึกตัว ส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละหจนทําคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจนในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องอหรือเป็นความผิดทเรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวาง ม, มาก ผมพูดเท่าที่จําเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี่พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตฐานอยที่ร่างกายนี้เป็นอสุภะอสุพางอนิจจโทต่างตา่แล้วแต่ความถนัดของใจความบิดเบ่อนของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดนีอยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณา ส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลูกหลางเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวงเราก็พิจารณาไปว่าแค่นั้นก็แยกเี้ยะแตกสลายทําลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปประคันมันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะ มันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดเฉยเลยอืมสม้งหมดเราเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนแขนขาดมือขาด อ, อ, อุปทานก็ยังยังไม่ขาดจากความดื้มั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่ อุปทานห่างลงไปลูกกายหมดความหมายแล้วหมดภาณะหน้าที่ี่จะต้องพิจนารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารข่าวจะเป็นอาหารขาวชนิดไในหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารข่าวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไมถ้าตุขันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันทัมผัดอะไรสัมผัสหวานอาอหวานมารับ ที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยอันนี้เมื่อพิจารณารูปธรรมหรือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาอย่างนั้นก็ก้าไปสู่นามธรรมาคือเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณจะเป็นขันใดก็ตามในนา ม, มาขันขันทั้งสี่มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่ในขันใดตามขันนั้นก็ไปพิจารณาเข้าไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้ง ทั้งสี่ขัน ร, ว ม, รวมยอดแล้วก็หมดปล่อยวางไปเหมือนกันจกนกระทั่งเข้าถึงปิดตัวเป็นวิชาแท้อืเป็นนางแห่งวัตตะอนวิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปฏจวิญญาณจกนกระทั่งถึงสมุรโยโหต์เตมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยาการมาทีนี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจยาการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับ มันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะณฑ์ไปหมดแล้วเหนือตั้งแต่ความรู้กับจิตก็วความความรู้กับอวิชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนใหญ่รูปปั้นก็มีไตรลักษณ์อ้จากตัวขังนาตาเวทนาสัญญาณขัญญาณ ก, ก็ก็มีมตรลักษณ์ อนิจจังของหน้าตาตัวจิตกับวิชาก็มีตรายากักษ์อนิจจังของหน้าตาเหมือนกันนะแต่เป็นตรายักษ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ด้แกวิชา ก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังตาสมบูรณ์ในจุดนั้นทิเหกก็พังอวิชชาจะตเววะเสสวิราลานนโรธาสร้างข้าราเนโรโทสั้งขารานโรธาวิญญาณนิโรทแล้นก็นุ่นเอวเมตตาเกวราตัดุขขั้นทัตจันนิโรโทโหติ เมื่อวิชาดับวันนั yeah. integral, ้นดับดับดับดับดับไปหมดเหมือนกับว่าเมื่อถอนรากแก้ขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก่รากค้อยดับไปหมดอย่างพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี้ยไม้ต้นนั้นถอนรากถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับเอกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกระพี้แกนอะไรตายตายตายตาตายไปด้วยกันหหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือนั่น เราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นแนีน้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับท่า น, นอวิชชาจะตเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบตัติเมื่อถึงท่านนี้แล้วเราหมดความสามารถอเราพูดตามวิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกอเพราอให้มัน มาขอให้รู้เถอะคาว่าสันติโกก็ปัจจนเทวบมโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากธรรมอันนี้จะรู้จนได้โอ้โห<ฮ>เจ้านิพานไปเวลานานเท่าไหร่อะไรไม่สําคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เริ่มเวลามันสําคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นเนี่ ถ้าจะทำคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากมากไม่ไม่ใช่มัจจิม า, มาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นอุญแจอดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมก้าที่สุดก็คือมัจจิมารประปีบทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒินิโรธกความดับทุกข์เป็นผลมาจากมรรคทำลายที่เหลือลงไป เป็นสาเหตุอะไรทุกทุกมันก็ดับไปเองดับไปเองดับไปทีเลกกระน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับเพิ่เดียวนะค่อยดับไปโดยดับตามกําลังของมากที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยําดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วนิโรธก็ทําหน้าที่เต็มดับทุกพรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกและเวลาดับทุกแล้วไปไหนที่นี่ คีย์ยของการดับทุกข์ดับแล้วก็หายไปท่านั้นเองทุกข์ดับแล้วก็คําว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทําหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัณห า, าได้ไหมได้แจปัญญาเป็นต้อนนี่เรียก ว, ว่าจัดจะทำ และสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี้ทุกขสมุทัยนิโรธแถวนี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปเห็นปัญญาก็ดับไปเหมือนกันพ่อปัญญาก็เป็นส ม, มุติแต่เป็นส ม, มุทติฝ่ายแก้ส ม, มุทัยกับทุกข์ก็เป็นส ม, มุทติฝ่ายผูกมากนิโรธกับมรรคเป็น ก็จะทำฝ่ายแย่ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกสมุทรไทยดับไปแล้วอันนี้ก็ปล่อยเหมือนเครื่องมือเหมือนสัตราวุธเมื่อค่าศึกรากหมดแล้วอาวุธก็ปล่อยนี่เพราเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรทีนี้หรือเราวันนี้พานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่เหรือฮึ่ม พจะทำทั้งสีนี้เป็นบันไดเป็นทางเดินเมก้าออกจากนี้ผ่านออกจากพระจะทำทั้งสีน่นี้ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั่นนี่คือผู้บริสุทธิ์อืทุกกระดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสีนี้ดับไปคืออะไรเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์ เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกอินาหามาคุณนิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยทำมรรคติเจ้าศาสนาอวเจ้าไม่ใช่เป็นตุกต า, าเครื่องเล่น้องเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทําความดีนะคอยไปเอาสวรรค์โ น, น้นคอยนิพพานโน้นนะชาติหน้านโนนะนิพพานาในตัวนีอย่าสนใจมันเลยมันไม่มียอยู่ในหัวใจนั่นคือกิเลสมันหลอกเอาให้มันจริงจังจะพ้นไปไหนข้าฟังฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทา เป็นธรรที่เหมาะสมอยู่ตลอดการสถานที่คือทุกเวลานเวลากับกิเลสทุกประเภทปราบได้หมดเรื่องหน้าถึงมัจจิมาภิสิปทานนี้ทั้งนั้นที่ว่ากิเลสมันผาดผลขนาดไหนเอามัจจิมาอย่างผาดผลเอาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสําหรับปราบกิเลสกิเลสอย่างชนิดที่โหดหน้าธารุุที่สุดก็เอ า, เ, อาเครื่องมือชนิดที่ มีกําลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แดงไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นและโดยลําดับลําดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทใดกิเลสขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ําซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสถิปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกัน แทรกกันไปแทรกกันมาพินณาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจกนกระทั่งมทะลุ ป, ปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือีเ่เรียกเรียกบทคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกทันต่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุตินี่ยมหาสติมหาปัญญาเป็นสมุตรเมื่อไห่เป็นสมมุติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่ า, าวิชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญานี่ เมื่อวิชาที่เป็นจอมวัตจักมันสิ้นอำนาจวัฒนาทําทํา ท, ะ ท, ะทะลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้ เ, เรียกว่าเเรียกว่าปร ะ, ประมานุหรือนิวเคลียร์ไปแล้วแต่สมัยทุกวันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกเกาปล่อยสมุไทยก็วานเก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมร์เกาะปล่อย ตอยโดยตลอดทัดถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้กิเลสตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายมันมีกังวลที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับพบกับชาติมันจะเกิดในพบใดชาติใดสถานที่ใดนรก เปรสุรกาเฉลยฉานสวรรค์ท่านทมที่ไหนไม่ชิดหมดปัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความมือสุดอยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการท่านที่นเอาให้จริงให้จําเอาแค่าานี้ก่อนนรรยยัยญาหลังมืวัรู้สึกว่าเทพพูดมาจำได้